ด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของการมในด้านนี้ท่านบรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและสแสวงหาสั่งสมการวัตถุไว้เสพสเวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่แต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝน ทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียนสู้ทำงานด้วยความเหนื่อยยากแต่งานกลับไม่สมริดผลไม่ได้เงินทองหรือขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกลัดกลุ้มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุก์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นถูกโจรล้นคนลักไฟไหม เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกรั้นได้การวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้เขาต่อสัาธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอาการวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุดูถูกเหียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะเห็นแก่การวัตถุแย่งชิงกันซึ่งการวัตถุ ในรูปของทรัพย์สินต่างๆอย่างที่กล่าวในบาลีว่าราชาก็วิวาสกับราชากษัตริย์ก็วิวาสกับกษัตริย์พราหมณก็วิวาสกับพราหมณขะหะบดีก็วิวาสกับกะหะบดีแม่ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิงพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิง เพื่อนก็ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้างก็ลงมือลงไม้หรือถึงกับใช้สตราวุธเข็นฆ่ากันถึงตายบ้างทุกปางตายบ้างถึงพวกที่ตระเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามะท้าทำสงครามล้างผลาญกันใช้หอกดาบแหลนเหลาเงาปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันก็เพราะกรมต่างด้วยผลประโยชน์หลากหลายเป็นเหตุบางก็ประกอบการทุจริต มีจี้ปล้นแย่งชิงคบชู้เป็นต้นถูกจับได้เขาก็นำไปลงโทษทันต่างๆเป็นครุโทษบ้างละหุโทษบ้างรันตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุขติวินิบาตนโกอีกทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุจาักการรมมีข้อน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบุบร่องต่างๆดังที่กล่าวมาอย่างนี้และได้ประสบความสุขที่ประนียดีเยี่ยมกว่ากามะสุขประจักษ์กับตนจนไม่เนึกอยากได้กามคุณแล้วนั้นท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามะสุขว่ามีสภาวะหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบต่อไปอีกมีใจความว่า เปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุกเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบ่อนชัยใช้เล็บเกาปากแผลย่างตัวที่หลุมท่านไฟต่อมามีหมอรักษาเข้าหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทําอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่หลุมท่านไฟเขายอมไม่รู้สึกกระหยิมยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั้นที่จะย่างตัวที่ลุมไฟ หรือที่จะกินยาเช่นนั้นอีกนี้สันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรเด้วยการมาคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละ ก, กามตตัญหาแล้วและได้ประสบสันติสุขภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพยสุขเขาเห็นคนอื่นๆที่ปรนเพอเสพเสวยกามอยู่ยอมไม่นึกกระยิมทยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น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 ทั้งที่ไฟนั้นก็หลุมเดียวกันแท้ๆร้อนมากเหมือนกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนเป็นโรคเรือนมีอินทรีย์เสียหายบุกร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกว่าเป็นความสุขข้อนี้ฉันใดการทั้งหลายก็เช่นเดียวกันความจริงนั้นการทั้งหลายเป็นสิ่งมีสัมผัสทุก มีความเผาลนเร่าร้อนเป็นปกติธรรมดาเหมือนกันทุกการเวลาแต่คนถูกกามตันหาบอนชัยมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปจึงเกิดสัญญาวิปริตต่อกามซึ่งมีสัมผัสทุกแท้แท้ว่าเป็นความสุขคนโรคเรื้อนที่เอาเล็บเกาปากแผลผิ่งย่างตัวที่หลุมทานไฟนั้นเขายิ่งเกา่าและยิ่งย่างตัว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 ชนิดไม่ต้องเกาที่คันได้อย่างไรเมื่อใดเขาหายโรคมีสุขภาพดีเป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าหน้าที่คันอีกต่อไปในเรื่องการนี้ก็เช่นเดียวกัน คนที่ถูกกามาตัญหาบ่อนชัยเมื่อเขาเสพสวยกามทั้งหลายกามาตัญหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความรั่นรนกามก็ยิ่งเร้ารุนมากขึ้นและแล้วความสุขความอร็จอร่อยความช่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกา마คุณทั้งห้าเท่านั้นถ้าเขายังไม่พ้นหายไม่ปลอดโปร่งจากความบอนชัยของกามาตันหา ยังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าพระนีทกว่านั้นย่อมไม่อาจทําได้ก็กามาตัญหาอย่งางเร้ารุนเขาอยู่จะให้เขารู้จักความสุขภายในชนิดไม่ต้องร่านรนหรือไม่ต้องอาศัยกามได้อย่างไรเมื่อใดกามาตัญหาไม่บอลชัยเขาเขาปลอดโปร่งจากความเรารุนของกามแล้วเมื่อนั้น เขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ประนีตกว่าได้และนี้คือภาวะไรโรคไม่มีอะไรบอนเบียนจิตใจหรือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานการเปรียบเทียบกามกับโรคนี้ย่อและขยายความจากตอนหนึ่ง ในมาคันทิยาสูตรตามความในสูตรนี้เทียบความสุขโดยก้าวจากกามสุขไปถึงภาวะนิพพานทีเดียวไม่ได้กล่าวถึงฌานสุขไว้ด้วยโดยตรงแต่ภาวะในฌานท่านก็เรียกว่าเป็นนิพพานได้โดยปริยายคือเทียบได้บางแง่ดังได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นในสักกัสูตรพระพุทธเจ้า ส่งสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสักายะจำนวนมากส่งซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานอันสุดจริตไม่แต่ต้องกุศลละกรรมใดๆเลยได้ร้ำวันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละหนึ่งเหรียญสองเหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละร้อยเหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันมันเพียน แต่คนที่ขยันหมั่นเพีย r น, นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สักร้อยปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่เครื่องวันทั้งนี้เพราะการมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแกนสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่จะต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดา ต่างจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถบรรลุผลที่ทำไม่มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนาน